พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำคูเรื่องทุกขศาตร ใครที่อาศัยอยู่นี่ก็ดีมันเป็นของสำหรับโลกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละสัพเพธรรมมาอนัตตาทาทั้งหลายไม่ใช่ของใครก็แม่นร่างกายนี่แหละหมดก้อนเท่านี้เป็นตัวสมุทยัยเป็นเหตุให้ยึดถือนั่นแหละอัศมิมานะคนถือเราว่าตัวตนนั่นแหละ อันนี้แหละความมานะนี่แหละคือความว่าเขาว่าเราพระพุทธเจ้าว่าอัตภาพสังขารมันหลงสมมุติท่านให้พิจารณาให้รู้ให้รู้ทุกขศัสตร์ทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกขเวทุกขศัสตร์ควรกำหนดให้มันรู้ อันนี้แหละให้ศึกษาหาเหตุมันเซนผมก็ทุกข์สัตย์ความเกิดเป็นหญิงเป็นชายว่าเขาว่าเราไอ้ก้อนนี้มันเกิดมาจากไหนต้องสาวหาเหตุมันมันเกิดมาจากตันหานี่แหละนั่นแหละจึงให้ถอนตันหาให้ละตันหาให้ละทิ้ง ให้สละครั้นมันรู้จักแล้วมันก็จะละเรื่องทุกข์ขัดสนนี้ให้มันรู้พิจารณามันทั้งนอกทั้งในหรือจะออกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32สองะกระจายออกทุกส่วนทุกส่วนแล้ว มันเหลือเป็นคนไหมบ่มีคนแล้วกําหนดออกไปกําหนดออกไปจนเหลืออายตนะของมันบัญญัติความสมมุติสมมุติคือขันรูปปัจขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปปัจขันคือธาตุสี่ ประชุมกันเป็นรูปประขันถ้ามีรูปก็มีเวทนาเกิดขึ้นต่อไปผัสสะมันต่อกันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่บอกให้พิจารณาไปอื่นให้พิจารณาที่นี่หมดก้อนของเขาของเรานี่แหละแมนก้อนธรรมอย่าไปหาที่อื่น อย่าไปพิจารณาที่อื่นมันไปยึดไปสร้างเสียมันจะเป็นเหตุให้เจ้าของติดอยู่ให้พิจารณาอันนี้ทางจะไปพระนิพพานมีเท่านี้แหละท่านแสดงไว้สำ ม, มาทิทิความเห็นชอบก็เห็นกายนี่แหละให้พิจารณากายนี่เป็นทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ ไปสู่ที่อันบร ม, มสุขสุขอันเนรมิตรใสตนอย่าไปหาที่อื่นพระพุทธเจ้าว่าแม่นอันนี้ล่ละให้มันเห็นนอนกอดอยู่แท้ๆหมดทั้งวันถ้ามันไปยึดตัวยึดตนอยู่มันไม่ได้ไปพระนิพพานดอกว่าเขาว่าเราว่ากูว่ามึงเสียพระพุทธเจ้าว่า อันนี้มาสมมุติว่าเป็นตัวตนเราหมดทั้งก้อนให้พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนตตาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะอสุพังไม่ให้เห็นเป็นสุภะความงามความดีความมั่นคงมันเห็นนี่แหละมันจึงเกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่ายต่อร่างกายเบื่อต่อความเป็นไปของมันมันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่คร่ำคร่ามีพยาธิเบียดเบียนมีมรณะความตายผัดพรากจากกันโศกะความโศกกะพิไรรำพันมีโทมนัตความเสียใจความคับแขนใจ ความขัดข้องเมื่อเกิดมาก็เป็นทุกข์พิจารณาทุกขศัสตร์นี่ให้มันเห็นความจริงความพรัดพรากความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์นิเนืองจากทุกทั้งหลายมันมารวมอยู่ในขันทั้งห้าปัญจุปาทานักขันธาทุกขา ขันทั้งห้าเป็นที่ประชุมรับภาระของหนักท่านว่าขันทั้งห้าเป็นภารักอันหนักเน้อเมื่อวางภาระแล้วก็เป็นสุขเท่านั้นคือวางร่างกายของตนก็ให้พิจารณาเห็นทุกนี่เสียก่อนพอเห็นทุกแล้วก็ให้สาวไปอันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มีการ ม, มาตัณหาความใคร่ในกิเลสกามวัตถุกามความใคร่ก็คือความอยากเป็นอยากมีนั่นแล้วอยากเป็นผู้ดีมีลาบมียศนั่นแหละเรียกว่าภวะตัณหาความไม่อยากเป็นไม่อยากมีนั่นเรียกวิภาวะตัณหา ความไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ชอบเรียกว่าอนิถารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกลียดชังผมงอกฟันหักเกลียดชังหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียวความเสื่อมของอายุของตนความเสื่อมลาบยศสันเสริญสุขครั้นเห็นอันนี้ก็เพียรละ เพียนถอนมันเอมันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอยากนี่แล้วความอยากมันมาจากความโง่ความไม่เข้าใจความเป็นตนเป็นตัวนี่เรียกว่าอาวิชชาเราคืออวิชชาพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนวิชาเปรียบเหมือนผู้ก่อกําเนิดของทารกทารกนั่นเป็นที่รักของบิดามารดามารดาเป็นผู้ทํานุบํารุงทารกก็เป็นสุขคือตัณหาความรักใคร่ความชอบใจเป็นผู้รักษาสนองความสุขทารกก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไป รันเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดตัณหากา ม, มาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์ตัณหานี่มันเกิดอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่ไหนต้องค้นหามันนั่นแหละบอลมันเกิด บ่อนมันตั้งอยู่บุคคลจะดับตัณหาจะดับที่ไหนบุคคลจะละตัณหาละที่ไหนจะดับตัณหาดับที่ไหนตัณหาเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นโบราณเพื่อนว่าไฟเกิดที่ไหน เอาน้ำมาราดที่นั่นดับที่นั่นไฟตันหามันเกิดขึ้นที่ตนดับนี่ปล่อยนี่วางนี่เกิดขึ้นที่ไหนละ่ะตันหาที่เกิดเกิดขึ้นจากจักขคุนั่นแหละเกิดขึ้นที่โสตะเกิดขึ้นที่ขานะเกิดขึ้นที่ชิวหา เกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจมันเกิดขึ้นที่นี่ก็ต้องดับที่นี่ต้องให้เห็นที่นี่เกิดขึ้นที่ไหนอีกเกิดขึ้นที่รูปเกิดขึ้นที่เสียงเกิดขึ้นที่กลิ่นเกิดที่รสเกิดที่โผดทัพพะเกิดที่ธรรมมารม เกิดที่ไหนอีกเกิดที่จักขุวิญญาณวิญญาณความรู้โสตะวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเกิดขึ้นที่นี่มันเกิดขึ้นที่นี่ มันเกิดขึ้นนี่มันมาจากสาเหตุไหนมันเกิดมาจากความกระทบกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาเกิดขึ้นจากรูปจากจักขุสัมผัสชิวหากระทบกับรส ชิวหาสัมผัสเกิดเวทนากายยะเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสทางกายเวทนาเกิดขึ้นทางมโนจากสัมผัสทางใจความน้อมนึกไปตามอารมณ์เฮ ม, มันเกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่แหละมันอยู่ตรงอายะตนะ มันจะเกิดขึ้นต่อต่อขึ้นไปรูปสัญญาโสตสัญญาขันทะสัญญาชิวหาสัญญาโหทัพพระสัญญามโนสัญญารูปสันเจตนาเป็นทุกข์ของโลกโสตสัญเจตนา คันทะสัญเจตนาชิวหาสันเจตนากายสัญเจตน า, า, ตนาโพธพะสัญเจตนาที่มันเกิดขึ้นเพราะความสุขของรูปของเสียงของกลิ่นของรสรูปปัตหาเห็นรูปเกิดตันหาขึ้นเป็นทุกข์ โสตตันหาขานะตันหาชิวหาตันหาโหทัพพระสันหามโนตันหาความกระทบของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโหทับพระของธรรมมาลมมันยึดเอาละนี่แหละ ตันหามันเกิดขึ้นเรารู้จักบ่อนมันเกิดเราจะละอย่างไรล่ะถอนอย่างไรล่ะรู้จักบ่อนมันเกิดแล้วบุคคลจะดับตันหาดับที่ไหนดับที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจดับรูปดับเสียง ดับกลิ่นดับรสดับสัมผัสดับธรรมารมต้องดับอันนี้ไม่ใช่ดับอันอื่นเกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่นเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นจากอายะตนะภายในเกิดขึ้นจากอายะตนะภายนอกเกิดจากจักขุสัมผัสโสตะสัมผัส ละเกิดจากจักขุูวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณโหดทัพพระวิญญาณมโนวิญญาณดับที่นั่นเว้าซื่อว่าเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจดับสนิทแล้ว ไม่มีความยินดียินร้ายต่อสิ่งทั้งปวงวางใจเป็นกลางครั้นทําใจเป็นกลางไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวงแล้วใจได้ละวางแล้วตัดได้หมดแล้วแจ้งประจักษ์ดับสนิทแล้วเราได้ทำให้เกิดให้มีแล้ว ซึ่งมักสมังคีทำให้มันแจ้งมักมีองแปดทำให้แจ้งให้บอยริบูนจิตของเราเมื่ออบรมไปแล้วมันลงมันสงบมันหมดเรื่องความเว่อันนั้นแหละมันจึงรู้ว่าเราจะเอาสัญญานี่ เราจะเอาสัญญานี่แหละพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาไปพิจารณาไปมันจึงจะเกิดญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมันแจ้งประจักษ์เบื้องตน้นเราก็พิจารณาใช้สัญญานี่แหละท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านว่า มันจะต้องเอาโลกีนั่นมาใช้เสียก่อนพระพุทธเจ้าก็เอาโลกีนี่แหละใช้เสียก่อนท่านจึงได้สำเร็จถึงโรกุตระพอดีโลกิยะเป็นเหตุโลกิยะเป็นรากเป็นเขานขนควาสังขารร่างกายผมขนเล็บฟันหนัง ค้นคว้าพิจารณาไม่ให้ขาดให้มีสติสัมปชัญญะประจำให้มันรู้จิตมีราคะก็ให้มันรู้หายราคะก็ให้มันรู้เอาประจำอยู่นั่นแหละจิตมีโทสะก็ให้มันรู้จิตหายโทสะก็ให้มันรู้หายโมหะก็ให้มันรู้ จิตหดหูก็ให้มันรู้จิตผุดผ่องก็ให้มันรู้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดจิตเราเป็นสมาธิได้ชานชาณอุปาจารสมาธิชาณอัปปนาสมาธิจิตเป็นรูปราวจรก็ให้รู้ จิตไม่เป็นก็ให้รู้ให้มีฌานจิตเป็นอิสระไม่เป็นอิสระก็ให้รู้จิตมีฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะทุตฌานก็ให้หมั่นรู้จิตเป็นสมาธิก็ให้หมั่นรู้ จิตไม่เป็นสมาธิก็ให้รู้จิตอยู่ในภพในชาติอย่างไม่หลุดพ้นก็ให้มันรู้จิตหลุดพ้นก็ให้มันรู้ให้กาหนดจิตพิจารณาจิตเอาประจำอยู่อย่างนี้มันก็บบบพ้นไปได้ดอกครั้นเราตั้งใจอยู่แล้วได้หนึ่งเดือน สองเดือนบพอให้มันตายเสียปฐมชาญทุติยาชาญตติยาชาญให้รู้จักทำความเพียรเอามันอยู่นั่นแหละบทมันรู้มันจะรู้ปูนจะทุติชาญไปซื่ อ, อนูน่นจะรู้เมื่อมันสงบมันบ่มีต้นไม้ภูเขาถาวันธรรมชาติภูเขาที่ไหนไม่มี มีแต่แผ่นดินกับขอบป้าจางปางยุหันอันนั้นแหละจิตมันรวมบริสุทธิ์แล้วครั้นมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันบ่มีคนบ่มียัง้งบ่มียัง้งหมดสัญญาแล้วอากาสา น, นจายตนะนี้เลยขึ้นไปบม่มีมันจะกราบมันจะเอากันอีก อยู่บ้านผือไปมันทุกมือ้อไปพรหมโลกนั่นแหละไปสวรรค์ก็ไปมื้อนั่นแหละไปมันทุกวันอยากวันไหนก็ไปวันนั้นแหละอันนี้มันสุดแต่คนแล้วเห็นแจ้งชัดมันจะขึ้นไปความทุกข์มันจะเห็นไม่มีเหมือนกันกันกบจุดตะเกียงเจ้าพายุแดงโรยอยู่อย่างนั้นแหละมันสงบลงไปแล้ว ไม่มีอย่างแล้วแต่เราไปเกิดแต่วิญญาณมันก็บอกมีแล้วมันบอกเป็นยังบอกมียังว่าอย่างนั้นมันก็บอกมีแล้วมันต้องขนขวาจิดเราสงบมันสงบดีแล้วบอมีอยังบอกมีอยั ง, ยงว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกมันต้องขนขวามันสว่างเต็มโลกแนะ่ มันสว่างก็เห็นก็ค้นคว้าหาสิ่งของได้ไม่จุดไฟมันมืดไม่มีดวงไฟมันก็มืดบ่เห็นอย่างจะเก็บข้าวเก็บของเราต้องจุดไฟเจ้าพายุขึ้นเราจึงหาเจอบอ่จุดมันก็ตะเกียงซื่อนี่ก็เข้าใจว่าดวงไฟมันมืดคือขี้ขมเหา มืดก็ต้องขัดเอาขมเหมาออกบวขัดออกจุดไปนานๆมันก็มัวหมองไม่สว่างแล้วจิตของเราครั้นไม่สงบแล้วก็มืดถ้าไม่มีสิ่งที่หมักหมมให้มันเศร้าหมองขุ่นมัวมันก็สว่างสว่างแล้วเราก็ขนขวาท่านจึงว่าจิตเดิมธรรมชาติเลื่อมประพัสสอน แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลศเข้ามาหมักมมจิตมันจึงขุนมัวไปจะเปรียบเหมือนกับแก้วหรือเพชรนินจินดาที่เกลือกลัวอยู่กับฝุ่นทุลีกับพื้นแผ่นดินบุคคลผู้ฉลาดมาตรวจว่ามีเพชรพลอยมีบ่อทองคำที่นี่เขาจะมาขุดขึ้นเอามาเจียรไนจึงเป็นทองคำธรรมชาติ เป็นเพชรเป็นพลอยอันใสเราต้องตั้งต้นตรงนี้เสียก่อนจิตเดิมมันมีอยู่แต่ว่ามันเอาสมมุติเข้าไปใสมันดันมีแต่ฝุ่นทุลีมีโครนมีตมเกลือกล้วอยู่ใช้การบ่ได้จิตของเราก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตของเราขัดเกลาดีแล้วเพื่อไม่ให้มันหลง ขัดอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ให้ทุกเข้ามาขุ่นมัวหัวใจรักษาใจให้มันสว่างอยู่จิตตังทันตังสุขขาวหังจิตขัดดีแล้วอบรมดีแล้วมีแต่ความสุขมันสุขก็แม่นจิตเท่านั้นแหละมันจะรู้สึกได้กายมันเป็นไปตามเรื่องของมันนั่นแหละ มันก้อนพยาธิมดทางก้อนไม่มีดีสักก้อนใจมันไปหมักหมมกับอะไรต่ออะไรเอามาเป็นอารมณ์อยู่แต่มันอันเดียวเท่านั้นบอยยึดอันใดถ้ามันเห็นโทษแล้วเวลาไม่มีอะไรมาเกลือกลัวปะปนแล้วมันก็สายอยู่นั่นก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นแล้วใจอยู่กับธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้น ก็ใสยอย่างนั้นเวทนาร่างกายมันเป็นธรรมดามันเป็นรังของโรคเป็นก้อนโรคตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นอย่างใดก็ไม่มีความหวั่นไหวพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก็ไม่มีความหวั่นไหวเวลามันจะเป็นไป ร่างกายแล้วแต่มันจะเป็นไปตามเรื่องของมันหน้าที่ของเขาทุกขังอยู่นั่นเวทนาอยู่นั่นเกิดเวทนาก็ให้ฝึกหัดพิจารณาโลกธรรมรูปอันนี้เราได้มาดีแล้วเมื่อชำรุดสุดโทมไปพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อมันมันจะเสื่อมลาบ ให้มันเสื่อมไปตามวิสัยใจเราไม่เสื่อมความนินทามันก็ลมปากครั้นรู้เท่าแล้วจิตไม่กระวนกระวายจิตไม่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วมันก็สุขเท่านั้นแหละความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นถ้ารู้เท่าแล้วจิตก็ไม่หวั่นไหวอโซกังวิรชัง ไม่มีกเรตเครื่องมนทินจะตามได้ไม่มีความโศกเศร้าต่อความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมลาบเสื่อมยศการดินทาการสรรเสริญมีความรู้สึกเป็นปกตินี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เท่าโลกรู้เท่าแล้วไม่มีความทุกข์ใจ ครันไม่รู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็มีความหวาดเสียวมีความสะดุ้งอยู่กลัวอยู่บ่รู้เท่าย่านมันก็บ่าหายดอกไม่รู้เท่าแล้วมันก็มาเกิดอีกถ้ามันมาเกิดเป็นมนุษย์มันได้สร้างบารมีถ้ามันไปเกิดเป็นอื่นละ่ะโอ้ เป็นอสุภะอสุพังกลับชาติเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าสร้างบารมีท่านขึ้นไปอยู่พรหมโลกปูนไปอธิษฐานให้มันดับเสียครั้นอธิษฐานให้มันดับแล้วมันนอนอยู่ชั่วกับชั่วกันมันนอนไม่ได้มาสร้างบารมีครั้นอธิษฐานว่าดับเสียมันไม่ได้เกิดมาสร้างบารมี มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละมนุษย์สปะติลาโพเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นลาบอันประเสรดเพราะได้สร้างบารมีเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างบาปเฉยๆมันก็บ่มีลาบแล้วอย่าสร้างบาปใส่ตนเกิดมาเป็นลาบแล้วรีบสร้างบารมีเสีย ไปอยู่ที่ใดย่านมันจะตายเสียเราตั้งใจแล้วเราตั้งสัตว์อธิษฐานแล้วยังไงมันก็จะให้เป็นชาติสุดท้ายในชาตินี้การเกิดของเรานี่เป็นหรือไม่เป็นก็ตามเราจะทำความเพียรอยู่นั่นแหละแม้มันจะตายก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่ทำมันอยู่นั่นแหละจนตาย ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก้อนนี้ก้อนตายเกิดมาก็มาพากันตายเสียแบกทุกข์อยู่อย่างเรานี่เข้าป่าเข้าดงไปซื่อๆเกิดมามีแต่ตายเท่านั้นแหละเราไม่ประมาทได้ตั้งใจทำคุณงามความดีแล้วตายมันจะไปทุกข์หรืออย่าทำบาปทำชั่ว อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนเราสร้างความดีใส่ตนไว้ความทุกข์ยากลำบากบม่มีความสบายใจก็แม่นเราสร้างให้ตนผู้อื่น่าได้สร้างให้จะดีก็แม่นตนสร้างใส่ตนเองจะชั่วก็สร้างใส่ตนเองดอกพระพุทธเจ้า สอนให้ทำดีให้กายดีวาจาดีใจดีอย่าเป็นกายสกปรกใจสกปรกให้ใจสะอาดกายสะอาดนั่นแหละให้รักษาศีลให้นึกว่าเราเป็นอะไรเราเป็นพระเนอเราเป็นเนอได้มาเจอศาสนา พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นของเย็นอยู่เย็นเป็นสุขนะไปอยู่อำเภอท่าน้อยนั่นบ้านผือนั่นแหละเราจะตายอยู่นั่นตากแดดตากฝุ่นตากลมอยู่นั่นให้มันตายอยู่นั่นที่อำเภอนั่นเราพูดว่าเป็นแต่พระ ให้พากันตายอยู่นอกสมมุติอย่าให้มันตายในสมมุตินอกสมมุติหมายถึงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นผู้ปฏิบัติตามก็มีความเยือกเย็นไม่มีความเดือดร้อนตายอยู่ป่าชาติป่ากุงป่าแก่มันฮ้อนตามตัวก็มีแต่นอน ตายอยู่ป่าชาติป่ากรุงมีแต่ทิ้งเสียนั่นแหละอย่าลืมตนให้สำนึกตนให้ดูตนอย่าไปดูผู้อื่นอย่าเพ่งโทษผู้อื่นใครทำไม่ดีก็เป็นโทษของเขาโทษของผู้อื่นจะได้รับความทุกข์ก็แม่นตนได้รับความสุขก็แม่นตน เขาทำดีเขาก็ได้รับความสุขของเขาเองให้ดูตนดูทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้ฝึกตนให้มีสติกับตนให้เร่งทำเมื่อร่างกายให้โอกาสเมื่อร่างกายยังดีอยู่ยังแข็งแรงอยู่ทำความเพียรก็ได้อยู่ ครั่นแก่มากคือเรานี่ก็บ่อทันแล้วได้รับทุกยากทั้งหลายก็ไม่ได้เครื่องมันเก่าแล้วจะทิ้งครอมันไปกับเจ้าของซื่อๆก็ทำท่าจะล้มแล้วแต่น้อยแต่หนุ่มก็กําหนดเดี๋ยวนี้เราเป็นพระเดี๋ยวนี้เราเป็นเนนแล้วต่างจากคารวาธธรรมดาแล้วเพราะมีผ้าเหลืองนั่นเราต้องมีความสำรวม มีความระวังอย่าให้ใจขนองสนุกสนานไปในอารมณ์มีกามอารมณ์ต้องหักห้ามมีสติอย่าไปปล่อยตามอารมณ์ให้ขมักขม้นทำความเพียนภาวนาพุโทโธแล้วให้มีสติสำรวมใจอยู่เอาอิทธิบาท4ีตอนเช้าให้มีความสำรวม กายสุจริตตรังกลางวันให้มีสติระวังกายให้เป็นสุจริตให้วาจาเป็นสุจริตให้ใจเป็นสุจริตอยู่ข้ามาก็ให้กายวาจาใจเป็นสุจริตอยู่ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิให้ชำระนิวารณธรรมคืออารมณ์ กามาฉันทะพยาบาททีนมิทธทะวิจิกิจฉาอุทัสจกุดกุดจะให้ชำระอันนั้นเสียให้ใจบริสุทธิ์ชำระจิตของเราให้มันออกจากมิวรอันนี้อย่าไปเกี่ยวข้องกับอันนี้ให้ใจบริสุทธิ์ยามใดก็ชำระอันเดียวนี่แหละ คลันชำระอันนี้จิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะมาเกลือกลัวจิตไม่เศร้าหมองแล้วจิตบริสุทธิ์ผุดพองจิตบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ใดก็มีความสุขทำการงานอยู่ก็มีความสุข ความสุขติดตามผู้นั้นไปเหมือนกันกับเงาตามตนไปอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพราะชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ใจเศร้าหมองไม่ดีละ่ะก็มันเป็นทุกข์อยู่นั่นความทุกข์ติดตามผู้นั้นไปทําการงานก็ไม่มีความสุข พูดอยู่ก็ไม่มีความสุขความทุกย่อมติดตามเข้าไปเหมือน ก, นกันกับกงล้อติดตามรอยโคไปแอ ก, ก็ทับคอมันไปมานาสาเจประทุษเถนะมานะคือใจครั้นราคะโลภะโทสะโมหะประทุษสลายแล้ว ผู้นั้นจะพูดอยู่ก็ดีจะทำการงานอยู่ก็ดีความทุกย่อมติดตามเขาไปเหมือนกงล้อติดตามรอยโคไปอยู่มนาสาเจประสานเนนะจิตใจของผู้ใดอันโทษไม่ได้ประทุสร้ายอยู่จิตใจผ่องใสแล้วความสุขย่อมติดตามเข้าไปอยู่เหมือนเงาเทียมตน ถ้าหากเราไม่มีทุระไม่มีการอัญญงชำระจิตของตนอยู่นั่นแหละอย่าให้มันไปจองเวรกับเขาได้ชื่อว่าผู้ชนะใจอย่าให้มันมีความกําหนัดกับกายตัวนี้แหละครั้นมีความกําหนัดกับกายแล้วได้ชื่อว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตเบียดเบียน เบียดเบียนตนให้เดือดร้อนแล้วเบียดเบียนผู้อื่น